ที่หลายคนได้มาเจริญสติที่นี่ถ้าว่าปฏิบัติทั้งวันความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราคือความง่วงหรืออจะมีความเสื่องซึมความรู้สึกมันคงคล้ายๆกับคนที่ติดกาแฟแล้วก็ไม่ได้กินกาแฟจะเสื่องซึมจะมีอาการเอยเหนื่อยไม่ค่อยกะตือหรือร้อน อันนี้เป็นธรรมดานะเพราะว่าเวลาเราทำอะไรซ้ำๆเนี่ยโลยเพราะสิ่งที่มันไม่ได้กระตุ้นเราความคิดหรือความรู้สึกในใจเราเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึก ง, ง่วงขึ้นมาได้ธรรมชาติาอของใจเราเนี่ยนะมันจะตื่นก็ต่อเมื่อได้ทำอะไรแปลกๆใหม่ๆ ไม่ซ้ำเดิมอันนี้พูดถึงคนทั่วไปนะแต่ถ้าเกิดว่ามาเดินรงกรมเป็นชั่วโมงสร้างจังหวะเป็นชั่วโมงบางคนทำได้แค่สิบนาทีก็ง่วงแนละ้วอันนี้คงไม่ใช่เป็นเพราะว่าเพียงเพราะว่าทำอะไรซ้ำๆหรือที่เราเรียกว่าจําเจนานๆเนี่ย แต่มันคงจะมีเหตุผลมากกว่านั้นนะนั่นก็คือการที่เราได้ถอนตัวออกมาจากสิ่งกวดร้อนที่มันมีสิ่งร่อเร้าเย้ายวนหรือกระตุ้นนะเกิดทั้งวันช่วงคนเราเนี่ยคนสมัยใหม่โดยเฉพาะในเมืองเนี่ยนะตั้งแต่เช้านะจดุดค่าหรือดึกเลยเนี่ย มันจะมีสิ่งกระตุ้นนะเรียกว่าตลอดเวลาดยเพราะจากโทรศัพท์มือถือนะสมัยที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือก็อาจจะมีโทรทัศน์แต่ว่าโทรทัศน์นี่เราก็ดูเป็นช่วงบางเวลาเท่านั้นแหละแต่โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันพอเปิดดูตลอดเวลามันก็ ทั้งดูข้อความทั้งติดตามข่าวสารนะทั้งดูคลิปวิดีโอติกก์บอกหรือว่าเล่นเกมอะไรสารพัดเนี่ยไอ้พวกเนี้มันกระตุ้นจิตของเราให้ตื่นนะยังไม่นับงานการที่ต้องใช้ความคิดหรือว่าชีวิตประจําวันที่ต้องพูดคุยกับผู้คนสารพัดบางอย่างก็จำเป็นบางอย่างก็ไม่จำเป็นแต่ก็ สแสวงหาเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยมันมันมีรสมีชาติเราไม่ไรู้เลยนะว่าการที่มีสิ่งบากระตุ้นเราอยู่เสมอเนี่ยในแง่หนึ่งมันทำให้จิตเราตื่นนะแต่ขนาดเดยกกันก็ทำให้เกิดอาการเสพติดเสพติดสิ่งเรา พอเราถอนตัวมาจากสภาพแวดล้อมที่ว่าเนี่ยมาที่วัดยิ่งมีข้อกำหนดว่าเนี่ยเราจะไม่พูดคุยกันหรือว่าเราจะไม่ใช้โทรศัพท์อย่างที่เคยทำแถมยังพาตัวเองมาเดินจงกรมสร้างจังหวะทำสิ่งที่เรียกว่า ซ้ำซากจำเจนในความรู้สึกของเราเนี่ยมันก็จึงทำให้เกิดความง่วงเหงาเหานอนซึ่งก็ดีนะจะทำให้เราตระหนักว่าทั่วันนี้เนี่ยเราใช้ชีวิตเนี่ยอยู่กับสิ่งเรานะเรียกว่าตลอดทั้งวันแล้วก็ลามไปถึงกลางคืน แล้วพอเรามากๆเนี่ยนะมันก็ทำให้จิตตื่นจนกระทั่งบางทีก็นอนไม่หลับแถมยังเครียดอีกแล้วก็จิตก็เพลียกายก็ล้าอา ก, การที่เรารู้สึก ง, ง่วงซึมเนี่ยคล้ายๆกับการที่เรางดดื่มกาแฟหลังจากที่ดื่มมาจนติดเนี่ยอันนี้ก็คงคล้ายๆกับอาการลงแดงนะ เวลาเราเสพติดอะไรแล้วเราถอนออกมาจากสิ่งนั้นเนี่ยอย่างปัจจุบันทันด่วนทันทีมันก็มีอาการคล้ายลงแดงถ้าลงแดงนี่เราใช้กับยาเสพติดหลายคนไม่ได้ติดยาเสพติด น, นะแต่ว่าติดสิ่งเรา้าตอนนั้นที่ไม่ชอบเนี่ยรู้สึกว่าทําให้จิตใจวุ่นวายแต่ลึกๆก็อดโหยหามันไม่ได้ยิ่งมาอยู่ที่นี่ยิ่งโหยหาใหญ่นะ นึกถึงโทรศัพท์มือถือนึกถึงการพูดคุยนึกถึงการทำงานต่างๆอาการที่ว่าเนี่ยนะ<ม>ง่วงเหงาหาานอนซึ่งซึมเนี่ยมันไม่ได้อยู่นานนะจิตเราเนี่มีความสามารถในการปรับตัวพอเรามาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งเราน้อยนะมีกิจให้ทำน้อยมีเรื่องให้คิดน้อยนะจิตเราจะค่อยๆจะ ปรับตัวเข้ากับสภาพหรือบรรยากาศที่ว่าได้เราจะค่อยๆนะเกิดความสดชื่นแจ่มใสและเกิดความตื่นตัวขึ้นมาจิตเราจะไวนะจะไวต่อสิ่งเราที่มันเบาบางไม่ต้องอาศัยสิ่งเราที่มันกระตุ้นนะอย่างนะเสียงสี แสงสีเสียงจากโทรศัพท์มือถือหรือเรื่องราวข่าวสารที่มันกระตุ้นอารมณ์ต่างๆบางทีแม้กระทั่งเสียงลมนะหรือว่าเสียงใบไม้ไหวมันก็มากพอที่ทำให้จิตเราตื่นขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความง่วงอาหานอนที่เกิดขึ้นกับเราตอนนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาพอผ่านไปสักสองสมวันนะเราก็จะเริ่ม มีอาการตื่นตัวขึ้นมาบ้นอย่าไปท้อถอยนะอย่าไปรู้สึกว่าเนี่ยมันลำบากที่ยงความง่วงเนี่ยมันเป็นแค่อุปสรรคเล็กๆน้อยๆ น, นะเพราะว่าในการปฏิบัติเนี่ยมันยังมีอุปสรรคอื่นๆที่เข้มข้นนะกว่านี้นะที่วอนนะมันมีอยู่ห้าประการช้วยอุปสรรคกับการ บําบเพ็ญทางจิตไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติหรือการทำสมาธิความงุ่งหงาหันนอนหรือทินนิมิทานี้ก็เพียงแค่ดิวรันขั้นต้ น, นต่อไปก็จะมีอีกนะเช่นความฟุ้งซ่านเนี่ยฟุ้งซ่านนี่คฟุ้งซ่านธรรมดาฟุ้งซ่าน้วเกิดความร้อนเดือดเนื้อร้อนใจเรียกว่าอุทธจักกุจจักอาจจะมีความงุดหงิดลาคาญอา เรียกว่าพยาบาทหรือปฏิฆะแล้วบางทีก็จะโหยหาของอร็สอร่อยที่เคยชอบอของกินที่ติดใจความสุดวกสบายที่เคยคุ้นหรือว่ากาแฟรหรือหนังเพลงไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะมารบกวนใจของเราเเรียกว่าจาว ก, การมาชันฉันทะ ยังไม่นับในะความรังเลสงสัยนะวิกิจนะิตฉาเนี่ยว่ามาทําไมเนะี่ยมาทําไมทำไมต้องมาช่วงนี้ทําแล้วมีประโยชน์อะไรทําแล้วมันจะได้ผลไหมคุ้มค่ากับเวลาหรือเปล่าหรือแม้กระทั่ ง, ทงว่าเนี่ยเจริญสตินี่มันจะได้อะไรนะอันนี้มันก็จะเป็นความรังเลสงสัยนะที่จะมาคอยรบกวน แล้วก็ลังเลสงสัยมันไม่เพียงแต่ทำให้เราเกิดความลังเกิดความลังเลไม่ทุ่มเทาการปฏิบัติบางทีมันทำให้มีเหตุผลมากมายในการที่จะเลิกในการที่จะกลับบ้านด้วยซ้ำกินเลหรือมาเนี่ยนะมันฉลาดมากมันจะหาทางนะ ชักชวนให้เราเนี่ยละทิ้งความตั้งใจเวลาเราจะทําความดีชนิดที่เป็นการทวนกระแสกิเลสหรือถอนอัตตาเนี่ยถอนความยึดมั่นอัตตาเนี่ยมันจะมีเหตุผลมากมายนะที่กิเลสมันคอยสรรหาเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยเหนื่อยหน่ายาท้อแท้การปฏิบัติหรือว่าละทิ้งการปฏิบัติกลางคัน บางทีก็อ้างเหตุผลว่าเนี่ยแม่ไม่สบายนยตอนนี้แม่ยังป่วยอยู่ที่บ้านนะพ่อก็ไม่มีใครดูแลเราจะมาปฏิบัติอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเนี่ยไอตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยมันไม่มีเหตุผลข้ออ้างทำนองนี้เลยนะแต่พอจะมาปฏิบัติหรือมาปฏิบัติแล้วเนี่ยหรือบางคนบวชมาเนี่ยพออยู่ไปสักพักเนี่ย มันจะถูกกิเลสหลอกนะบางคนก็หลงเชื่อนะโอ๊ยแม่ไม่สบายพ่อไม่สบายศึกดีกว่าไปดูแลพ่อพ่อถ้าดูแลแบบพระนี่มันไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่โอ้ยมีแบบนี้เยอะนะแม้แั่คนที่มาปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่บวชก็ตามก็ยังมีข้ออ้างมากมายแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่หลงเชื่อนะ อาจจะเป็นพ่อมีเพื่อนมาช่วยทัดทานมันจะมีความคิดต่างๆนะเกิดขึ้นในจิตใจเรามากๆที่ทำให้เราลังเลสงสัยว่าวุ่นสับสนอันนี้ธรรมดาให้เราก็ดูมันไปเรื่อยๆนะและสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่สอน ความจริงหรือสัจธรรมให้กับเราได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วใจนี่ก็ไม่ใช่ของเราเนะเราคิดว่าใจของเราใจของเราแต่ถ้าเป็นของเราเราก็บังคับได้บังคับให้มันหยุดง่วงบังคับให้มันตื่นตัวกระชุ่มกระชวยแต่เราก็บังคับไม่ได้ไม่ใช่แค่ใจเดี๋ยวกายก็เหมือนกันนะกายก็เหมือนกันอยากให้มันหายปวดหายเมื่อย แต่มันก็ยังปวดยังเมื่อยแล้วพอปวดเมื่อยมากๆนี่มันก็จะมีเสียงเป่าหูเรานะว่าปวดเมื่อยแบบนี้ไม่ไหวแล้วเลิกดีกว่าหรือว่าทำน้อยๆดีกว่านะทำนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วปวดแล้วเกินเมื่อยแล้วเกินนะมันจะมีเสียงคอยมาเป่าหูเราให้เราเลิกการปฏิบัติในช่วงนี้นี่มานี่มันจะสารวจ น, นะในการที่จะ ทำให้เราเนี่ยลังเลสงสัยหรือว่าคลายความเพียรเอาอย่าไปหลงเชื่อนะให้เรารู้ว่านี่มันก็เป็นธรรมดานะของจิตที่เราปฏิบัติมาปฏิบัติเนี่ยนะเราก็จะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะจริงๆแล้วเนี่ยให้ทุกข์กายไม่เท่าไหร่นะแต่ที่มันรบกวนใจของเราก็คือความทุกข์ใจ และไม่ใช่แค่ทุกข์ใจเฉพาะตอนนี้นะก่อนมาก็มีความทุกขนะ์แล้วเครียดนะรุ่มร้อนคนเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราแม้ว่ากายเนี่ยจะสบายเพราะชีวิตที่สะดวกนะแต่ว่าหลายคนก็รู้สึกว่ามันทุกข์เหลือเกินบางคนก็บ่นว่ามันอยู่ยากทุกข์นี่เพราะอะไรนะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันทุกข์เพราะความคิดนะ มันไม่ได้ทุกเพราะคนโน้นคนนี้ไม่ได้ทุกเพราะดินฟ้าอากาศไม่ได้ทุกเพราะการกระทำคำพูดของใครแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันทุกเพราะความคิดนะแม้จะอยู่สบายไม่มีอะไรหรือปลอดภัยเนี่ยแต่ก็ยังทุกอย่างเช่นเราอยู่กุฏิเนี่ยกางข้ามกลางคืนจริงที่นี่ก็ปลอดภัยนะแม้จะแวดล้อมด้วยป่าเนี่ยแต่หลายคนก็นอนไม่ค่อยหลับนะกระสับกระส่าย หรือว่าเกิดความหวาดกลัวไอ้ความหวาดกลัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะเกิดจากความคิดคิดว่ามีอันตรายอยู่ข้างนอกบางทีก็คิดว่าอาจจะมีพวกตุ๊กแกหรือว่า ง, งูเหี้ย่เขี่ยวขออยู่ข้างในพอคิดเข้านะทุกเลยนะนอนไม่หลับบางทีก็คิดว่ามีผีสางนางไมนะ้จะมารบกวน พอนึกขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เกิดความตื่นตระหนกที่ น, นี่ก็เป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งนะถามว่ามันทุกข์เพราะอะไรนะเพราะความคิดเพราะว่าไอ้ที่คิดว่าจะมีนั่นมีนี่เนี่ยที่จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นในความคิดของเราทั้งสิน้นเราคิดปรุงแต่งบางทีก็แม้ว่าจะอยู่สบายแต่พอคิดถึงงานก็เกิดความหนักอกหนักใจขึ้นมา คิดถึงเรื่องราวในอดีตนะความสูญเสพท์พลาค ก, ก็เกิดความเสียใจขึ้นมานะบางคนนี่ก็ไปคิดถึงวันคืนนั้นคืนขมนะก็จิตใจก็หดหูทั้งที่ก็ยังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สบายนะไม่ได้เดือดร้อนอะไรกินอิ่มนอนอุ่นมีที่พักที่อาศัย แต่ทำไมใจมันวิตกกังวลใจมันกลัวใจมันเครียดก็เพราะความคิดแต่จะพูดถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทุกเพราะความคิดนะทุกเพราะหลงในความคิดทุกเพราะไม่รู้ทันความคิดความคิดแม้จะคิดลบคิดลายเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยแต่เรารู้ทันมันมันก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้นะในความพิต่างๆที่มันพาความทุกข์ให้กับเราเนี่ยที่จริงเนี่ย แค่คิดอยู่ในใจหรือแค่มันผุดขึ้นมาในใจเนี่ยเรายังไม่ทุกนะหรือว่าใจยังไม่ทุกนะแต่ที่ทุพภะไปหลงเชื่อมันหลงเชื่อมันปล่อยให้มันครอบงาใจมันเหมือนกับว่าสมมุตินะมีเศษแก้วตะปูหรือว่าใบามีโกนเนี่ยอยู่ใน อยู่ในฝ่ามือเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามันมีหรือมันอยู่ในมือเราแล้วเราจะเจ็บเราจะปวดนะเราจะเจ็บเราจะปวดถึงขั้นมีแผลเลือดไหลซิฟเนี่ยเพราะว่าหรือก็ต่อเมื่อเนีเราไปกัเอาไว้พอกัมเมื่อไหร่เนี่ยไปบีมันเอาไว้เนี่ยนะเราก็จะเจ็บเมื่อนั้นแหละเพราะมันก็จะบาดมือเราแต่ถ้าเราวางไว้ตรง ฝ่ามือเนี่ยมไม่มันไม่เกิดอะไรขึ้นนะความคิดก็เหมือนกันนะความคิดเพียงแค่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยไม่ได้แปลว่าเกิดขึ้นปุ๊บเราทุกปั๊บนะเราจะทุกข์ก็ต่อเมื่อเราไปหลงเชื่อมันนะ น, นี่หมายถึงความคิดลบคิด้ายรวมทั้งอารมณ์ด้วยความโกรธนะความเศร้ามันเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันยังทาอะไรจิตใจเราไม่ได้จึงก็จะไปหลง เข้าไปในความคิดหรือเข้าหลงเข้าไปในอารมณ์นั้นหรือปล่อยให้มันเข้ามาทําร้ายใจของเรายังมีคนเขาพูดไว้ดีนะบอกว่าเนี่ยเรือเนี่ยมันไม่ได้ล่มเพราะน้ําที่อยู่รอบเรือนะแต่เรือมันล่มเพราะน้ําเข้าไปในเรือตราบใดที่น้ําเนี่ยยังไม่เข้าไปในเรือเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําอะไรเรือนะความคิดและอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกันนะแม้มันจะเกิดขึ้นมาในใจเราเนี่ย แต่ถ้าเราไม่ปล่อยให้มันเข้ามาครอบงำเผาลน้นชินแทงใจเราเนี่ยมันก็ไม่ทุกนะเพราะนั่นเนี่ยจะเรียกว่าทุกเพราะความคิดนี่ยังไม่ถูกนะต้องเรียกว่าทุกเพราะหลงคิดหรือหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์แล้วทํางไหถึงจะไม่ให้หลงเข้าไปในความคิดหรือหลงเข้าไปในอารมณ์ก็ต้องมีสติมีสติสติเนี่ยมันเหมือนตาในนะ ที่ทําให้เรารู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เราเห็นความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจแต่เวลาพูดถึงสติเนี่ยเราก็มักจะไปนึกถึงสติที่เป็นสามัญ น, นะซึ่งสติที่เรามีในชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะแต่ว่ามันไม่ใช่สติที่เรากำลังพูดถึงสติเราพูดถึงเนี่ยมันคือสัมมาสติหน้าที่ของสติเนี่ยหลักๆ ก, ก็คือความระลึกหรือนึกขึ้นได้ สติที่เรามีในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเป็นการระลึกหรือนึกถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วเช่นเมื่อวานนี้เราคุยกันว่าะจะไม่พูดคุยกันนะจะไมะ่พูดคุยกันโดยไม่จำเป็นพอเรานึกขึ้นมาได้นะอะ่นั่นแหละนั่นแหละนั่นอาศัยสติหรือเมือ่อเมื่อวานนี้เรานึกหรือจำได้ว่าเนี่ยเรามาถึงสุข็โตกี่โมงบ่ายสามั้ง4ี่โมงเย็น้ง การที่เรานึกขึ้นมาได้เ น, เ, นเนี่ยเรียกว่าอาศัยสติซึ่งส่วนใหญ่มาเป็นการระลึกนึกถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเราก็อนึกขึ้นมาได้เราก็เรียกว่าสติสติมันทำงานแต่น้าเป็สัมมาสติั้นเป็นสามัญสติถ้าสัมมาสติเนี่ยมันจะระลึกได้ในเรื่องที่เป็นปัจจุบัน หรือลึกได้ว่ากำลังทําอะไรอยู่เช่นขณะที่กําลังฟังธรรมาอยู่ใจจะลอยไปออกไปนึกถึงบ้านนึกถึงที่ทํางานเสร็จแล้วสักพักก็นึกขึ้นาได้ว่านี่กําลังฟังทำอยู่พอนึกขึ้นมาได้จิตมันกลับมาเลยกลับมาที่หอวใจหรือขณะที่เรากําลังสร้างจังหวะอยู่เนี่ยหรือเดินจงกรมอยู่ใจมันลอยมันลืมไปแล้วว่ากําลังเดินหรือกําลัง สร้างจังหวะอยู่เสร็จ แ, แล้วมันนึกขึ้นมาได้ว่านี่เรากําลังสร้างจังหวะอยู่เรากําลังเดินจงกรมอยู่ตัวที่ทําให้ระลึกนึกขึ้นมาได้เนี่ยคือสัมมาสติแต่ว่ามันต่างจากสติทั่วๆไปคือมันไม่ใช่ระลึกนึกได้ถึงเรื่องอดีตหรือเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตหรือสิ่งที่คุยกันในอดีตแต่มันเป็นการระลึกได้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบัน ด้นะสติเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยมันเป็นสติคือความลึกนึกได้เกี่ยวกับเรื่องนอกตัวแล้ลึกได้ว่าหรือจําได้ว่าวางรองเท้าไว้ที่ไหนก่อนขึ้นมาฮอตไตนีิวางไว้ตรงไหนถ้าวางไว้ตรงชั้นชั้นไหนเนี่ยพอลงไปก็จําได้นะว่าจะไปหยิบรองเท้าจากชั้นไหน หรือว่าจำได้ว่าเนี่ยที่พักเราอยู่เบอร์อะไรนะอยู่ห้องอะไรไปทางไหนอันนี้สายสตินะถ้ามีสติเราก็หลงทางแล้วจำไม่ได้ว่าพักที่ห้องไหนไปทางไหนแต่นั่นก็ยังเป็นเรื่องนอกตัวนะเอสัมมาสติเนี่ยเป็นการระลึกได้ในเรื่องตัวเราเรื่องกายเรื่องใจ เราลึกได้ว่าตอนนี้กายกาลังทำอะไรอยู่เราลึกได้ว่าใจเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยรู้สึกอย่างไรก็เรียกว่าเราลึกรู้เรื่องกายเรื่องใจหรือหรือระลึกรู้กายใจนี่ต้องสายสมาสติอย่างเดียวนะซึ่งถ้าเราไม่มีตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยทำอะไรโดยไม่รู้ตัวและที่สมัญอย่างน้นคือว่าสมาสติเนี่ยนะมัน มันทำงานของมันเองนะคือความระลึกนึกได้ว่ากาลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันระลึกนึกขึ้นมาได้เองการระลึกหลายอย่างเนี่ยเราต้องอาศัยความตั้งใจนะต้องอาศัยความตั้งใจเช่นเมื่อเช้าเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนท่านเทศเรื่องอะไรเมื่อเช้าก่อนฉันอัตมาพูดเรื่องอะไรจะตอบได้ก็ต้องใจตั้งใจนึกสักหน่อย หรือว่าเบอร์โทรศัพท์เพื่อนเบอร์อะไรนตั้งใจนึกเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรตั้งใจนึกมันถึงจะนึกออกแต่ว่ามันมีความระลึกนึกได้บางอย่างที่มันนึกขึ้นมาได้เองนะเช่นกำลังทำงานอยู่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเนี้ยเราลืมนะโทรไปหาเพื่อนนัดเพื่อนเอาไว้ว่าจะโทรไปหาเขาเมื่อชั่วโมงที่แล้วหรือเมื่อตอนบ่าย ผ่านมาเย็นถึงนึกขึ้นมาได้หรือว่ากล่องจากบ้านก็นึกขึ้นมาได้ว่าเลืมอปิดหน้าต่างหรือว่าลืมอปิดไฟไอการนึกขึ้นมาได้เนี่ยมันนึกขึ้นมาได้เองอยู่ดีๆก็นึกขึ้นมาได้เองส ม, มาสติเนี่ยคือความระลึกได้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมันก็นึกขึ้นมาได้เองนะเราสังเกตได้เนี่ยเวลาที่เราเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยทีแรกก็นึก ไปโน่นนึกไปนี่นึกไปเจ็ดแปเรื่องอยู่ดีนึกขึ้นมาได้ว่าเรากำลังเดินจงกลมอยู่เรากำลังสร้างจังหวะอยู่พอนึกขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยมันกลับมาเลยนะกลับมาที่ลานจงกลมกลับมาที่อหอไตรขณะที่กำลังสร้างจังหวะอยู่ไอ้ความระเลื่อขึ้นมาได้เองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะบังคับควบคุมได้ แต่ว่าเราสามารถจะทําให้มันเกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นทํำยังไงนะก็ทำบ่อยๆเดินจงกรมบ่อยๆสร้างจังหวะบ่อยๆแล้วเปิดโอกาสให้สติมันระลึกขึ้นมาได้เองซึ่งเราก็ต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจสตินะว่าสติถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาได้ทํางานบ่อยๆทํางานบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะ ทำงานได้เร็วขึ้นไวขึ้นแล้วลึกนึกถึงได้เร็วขึ้นแ ล, ล้วนึกถึงได้ไวขึ้นหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าสติมันทำงานช้านะคิดไปแล้วถึง10ขึ้นไปแล้วสิเรื่องถึงค่อยมารู้นะอยากจะรู้เร็วๆอยากจะลึกๆได้ไวไม่หลง้าไปในความคิดอยากจะรู้จากความคิดเร็วๆก็เลยทำงานแทนสตินะ แทนที่จะให้โอกาสสติได้ทํางานก็ไปทํางานสแทนสติด้วยการไปดักจ้องความคิดนะเดินจงกรมแทนที่จะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่หรือว่ามารู้กับการเดินรู้สึกอยู่กับการเดินก็ไปคอยดักจ้องความคิดว่ามันจะโผล่ออกมาเมื่อไหร่หรือแม้กระทัง่งบังคับจิตไม่ให้คิดไม่ให้เผลอไม่ให้ทะเลทลายไม่ให้ตะเลิดทําแบบนี้นะสติไม่มีทางจเจริญนะ ถามเกิดความเครียดพอเครียดมากๆเข้าบางทีก็รู้สึกปวดหัวแน่นหน้า อ, อกนะปวดหัวแน่นหน้า อ, อกแล้วก็พอเกิดขึ้นบ่อยๆเข้าบางทีก็เกิดความหงุดหงิดตามมาเกิดขึ้นบ่อยๆเข้าก็รู้สึกท้อว่าทำแล้วไม่ได้ผลยิ่งความคิดมันคุ้มไม่ได้ผูดขึ้นมามากมายยิ่งรู้สึกหงุดหงิดนะจนโมโหตัวเอง ใ้การปฏิบัติเจริญสติวิธีเนี่ยนะเราประการแรกเราก็ต้องยอมให้มันให้ใจมันเผลอยอมให้ใจมันทะเลทะลายออกไปข้างนอกเพราะเราห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือรู้ทันและการรู้ทันเนี่ยนะมันต้องเกิดขึ้นเองนะเราต้องให้โอกาสสติทำงานถึงแม้จะช้าไม่ทันใจ แต่นั่นก็เป็นวิธีเดียวที่ทำให้สติเติบโตเหมือนกับเราจะทำให้ลูกเนี่ยของเราเนี่ยเขาทำงานเป็นเช่นล้างจานเป็นทำความสะอาดห้องน้ําเป็นหรือว่าทำความสะอาดบ้านเป็นเนี่ยก็ต้องยอมให้เขาทำเปิดโอกาสให้เขาทำาหมา่ๆเขาก็ทำไม่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยเรียบร้อยอาจจะทำลวกๆวก นะแต่เราก็ต้องยอมให้เขานะได้ทำไปเรื่อยๆนะถ้าเราเห็นว่าเขาทำไม่ไม่ดีไม่สะอาดไม่เหมือนเราทำเรานะไปทำแทนเาเรียกว่าไปเทคโอเวอร์มันก็ทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อยดีนะจานก็สะอาด เ, รเกรี่ยเก่าดีเร็วด้วยแต่สุดท้ายลูกก็ทำไม่เป็นนะ แล้วถ้าเราทำเองเนี่ยต่อไปเราก็เหนื่อยแทนที่เราจะกระจายงานให้ลูกทาเราทำเองหมดเทคโอเวอร์หมดทุกอย่างแล้วเราก็เหนื่อยแต่ถ้าเรายอมกระจายงานให้ลูกทาแล้วก็ให้โอกาสเขาได้ทาได้ฝึกฝนได้พัฒนาต่อไปเขาจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะเบาลูกน้องเหมือนกันนะให้ลูกน้องสั่งให้ลูกน้องทำกระจายงานให้ลูกน้องทาแต่ว่าลุกน้องทาไม่ดีเท่าเราเราก็ เข้าไปทําแทนมือนก็จะดีนะแต่ว่าสุดท้ายเราก็เหนื่อยแล้วลูกน้องก็ทำไม่เป็นแต่ถ้าผู้บริหารที่ฉลาดเจ้านายที่ฉลาดเ้าก็กระจายงานให้ลูกน้องทำแล้วคอยดูนะให้โอกาสเขาได้ทําเรื่อยๆต่อไปก็จะทำได้ดีขึ้นกับสติก็เหมือนกันนะเราก็ต้องให้โอกาสสติเขาได้ทํางานก็คือว่าให้เขาเระลึกนึกขึ้นมาได้เอง เดินจงกรมไปเรื่อยๆสร้างจังหวะไปเรื่อยๆใหม่ๆมันก็กว่าจะรู้ก็คิดไปสิบเรื่องแต่ทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆผ่านไปสองสามชั่วโมง4ี่ห้าชั่วโมงสติก็จะรู้ทันได้ไวขึ้นรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ได้ไวขึ้นและเป็นการรู้เองนะเป็นการรู้เองและพอถึงจุดหนึ่งนะคิดแค่คิดยัง้ยไปทันจบเรื่องเลยมันก็รู้แล้ว บางทีคิดปั๊บนี่ก็รู้ปุ๊บเลยโอ้โหตอนนั้นเราถึงอดทึ่งไม่ได้โอ้โหสตินี่มันทำงานได้อย่างน่าทึ่งมากหร ว, ว่าเป็นเหมือนกับเป็นปาฏิหาหริย์ทีเดียวไม่เคยคิดว่าสติมันจะทำงานได้เร็วขนาดนี้เผอคิดปุ๊บมันรู้ปั๊บเลยรู้ระวางรู้ละวางโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยม่ต้องคอยไปดักจ้องความคิดสติทางานแทนสติบอกเราเองว่าอตอนนี้เผลอไปละมีความคิด กิดขึ้นล้มีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วมารู้ระหวางรู้ระหวังทันทีเลยนะอันนี้แหละมันจะจะมาถึงภาวะนี้ได้ถึงจุดยากต้องยอมนะอดทนให้สติเขาได้ทํางานเปวดร่างกายาได้ทํางานของเขาแม้จะช้าแต่เราก็ต้องใจเย็นนะอย่าไปอย่าไปอดทนอย่าไปใจร้อนนะต้องมีความอดทนนะแล้วสติเขาก็จะเติบโตแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น เราใจเราก็จะเบาความคิดอารมณ์ก็จะมารบกวนจิตใจเราน้อยลง